บูรุษไตรเสนีของวัดผมทําหน้าที่หลายอย่างรวมทั้งการติดต่อของวัดกับภายนอกวัดก็เป็นผมจนคนเขาคิดว่าผมเป็นบุรุษไปรเสนีผมเป็นผู้นําจดหมายทุกฉบับจากวัดไปส่งที่ไตรเสนีและเมื่อมีจดหมายมาที่วัดไตรเสนีก็เอาจดหมายไปส่งที่ร้านขายยาของคุณชวลิตในเมืองอุดรแต่ก่อนนั้นหลวงตาเข้ากรุงเทพกับคุณชวลิตโดยมีลุงบุญเป็นคนขับรถ แต่พอคุณชวลิตเสียชีวิตครอบครัวก็ย้ายไปกรุงเทพหลวงตาจึงขอให้ส่งจดหมายไว้กับร้านส่งเสริมที่อยู่ข้างร้านคุณชวลิตและยังทำอยู่จนถึงทุกวันนี้ผมมีหน้าที่ไปรับจดหมายที่ร้านส่งเสริมมาส่งให้วัดทุกวันในสมัยก่อนหลวงตารับจดหมายของท่านเองและตอบด้วยตัวเองผมมีหน้าที่เอาจดหมายของหลวงตาส่งให้กับท่านโดยตรงหรือสอดช่องพิเศษใต้กุฏิ สมัยก่อนหลวงตาท่านพิมพดีดเองยืนพิมพด้วยท่านพิมพด้วยสองนิ้วเร็วด้วยลายมือท่านสวยระยะหลังท่านไม่ได้ตอบจดหมายเองแล้วเพราะชรามากท่านให้พระเลขาอ่านให้ฟังและเขียนตอบแทนท่านต้องเห็นใจท่านอายุมากขึ้นปีที่96หแล้วให้ท่านพักผ่อนมากๆจะได้แข็งแรงพอขึ้นชั้นมัธยมผมต้องไปโรงเรียนในเมืองเพราะบ้านตาดมีถึงชั้นปสี่เท่านั้น ผมต้องตื่นตั้งแต่ตีสตีห้าออกจากบ้านลำบากพอสมควรหน้าฝนที่ไรเป็นต้องได้แผลเพราะลื่นล้มเป็นประจำทิดกังเพื่อนร่วมรุ่นทิดกังหรือชาตรี บ้านอยู่ตรงหัวมุมทางแยกจากโรงเรียนเลี้ยวซ้ายเข้าไปทางวัดป่าบ้านตาดอายุไล่เลี่ยกับผมตั้งแต่ทิดกังยังตัวเล็กๆอยู่พ่อวงคอยใส่บารหลวงตาท่านทุกเช้าพ่อวงจะอุ้มทิดกังมาใส่บาด้วยเสื้อกางเกงไม่ใส่ทิดกังนั่งเล่นอยู่หน้าหลวงตาหลวงตาชอบเล่นกับทิดกังโดยการแย่เท้าเล่นด้วยอยู่เรื่อยท่านบอกกับพ่อวงว่าพอมันโตเอาไปให้เราเลี้ยงที่วัดนะ ทิดกังอยู่กับหลวงตาเมื่อโตขึ้นหลวงตาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะความสนของทิดกัง้งจึงโดนหลวงตาฟาดอยู่บ่อยๆแต่ทิดกั้งไม่เคยห่างวัดเลยทั้งครอบครัวทิดกั้งเป็นหลานเหรียญของท่านแท้ๆหลวงตาท่านจึงเข้มงวดกว่าพวกผมมากพวกผมชอบแอบหลบไปนอนกันในกองไม้ใต้ทุนกุติหลวงตาท่านปกติเดินตรวจทั้งวัดเดินเงียบมากพวกผมหลับในกองไม้ แอบอย่างดีแล้วก็ยังไม่พ้นท่านเลยท่านตักน้ำสะอาดปลูกพวกผมไล่ไปทำสวนรดน้ำต้นไม้ไม่มีทางพ้นหูพ้นตาท่านไปได้เลยพวกผมมีกันอยู่สองถึงสามคนชอบสนุกตามประษาเด็กตรงสะพานหน้าวัดน้ำไหลใสสะอาดพวกผมก็กระโดดน้ำจากสะพานวัดอยู่บ่อยๆดับราอในตอนกลางวัน